เห็นความคิดที่มันหลอกตัวเองเราเห็นแจ้งแล้วจนจนจับตายไล่ทันจนขี้นหน้ามันได้จับขาหนังขาเข า, าตัวคิดตัวรับคิดเหมือนเป็นน้ําตัวนั่งอยู่นี้มันเป็นรูปบางทีถ้าเราไม่รูปมันก็มีอานาจก็ใหญ่ความคิดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ป่งการตัวเราก็เป็นขี้ข้าของความคิดเป็นทาสของความคิด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 เทาความรู้สึดตัวหนึ่งเดียวความรูดสุดตัวหนึ่งเดียวอาจจะไม่ใช่ใหญ่อาจจะไม่ใช่อะไรคือเด่นความรูดสุดตัวนี้เป็นธรรมไม่ใช่ยิ่งใหญ่เ ป, เ, ปเป็นเป็นธรรมถ้าเป็นใหญ่ก็ใ ห, ใหญ่ในทางธรรมเอาไปประกบกับความหลงเอาไปประกบกับความทุกข์เอาไปประก บ, ปปะ ก, บกัปปกบความโกรธไม่ไม่เป็นธรรม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 ถ้ามาแบบว่าเรานั่งอยู่บนฉลากไก่เห็นงูเลื่อยอยู่ข้างล่างนู้ความรู้สึกของเราก็ปลอดภัยไม่มันงูอยู่ใกล้หน้าแค่งมันมาก่อนานั่งอยู่บนฉลากไก่เห็นงูจงอางเลื่อยอยู่โน่นก่อไข่มันก็เห็นอยู่แต่ว่ามันลีบปลีกันไ่ความรู้สึกเราก็ปลอดภัยเห็นความโกรธก็ปลอดภัยจากความโกรธเห็นความโลภความหลงก็ปลอดภัยจากความหลง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 คิดเปลี่ยนอย่างนั้นคิดเปลี่ยนอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนู้นอย่างนี้ให้มีการกระทําแบบนี้ทําอย่างนี้นด้วยฝีมือของเราด้วยความรู้สึกตัวนการปฏิบัติเราก็สัมผัสกันทุกวนักวนตุวันรู้สึกตัวเราอยู่ลงไปบ้านเราทํางานเดินวันละเป็นหมื่นหมื่นเก้า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 กี่อาทีหลงซ้่นไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนต้องเคืนมาเลียกเลยมันไวมันจัดจัด จ, ดจดมันเล่นแล้ว่าการทำความเปลี่ยนมันจะว่าไวก็ไวจะว่านิ่มก็นิ่ม ม, มันไม่เหมือนกับทำงานข้างนอกไันไวที่สุดแล้วคนรู้สึกตัวไวไวที่สุดปั๊บสันเตโลสันเตโลสันเตไป เป็นเครื่องบินไปไปลงสนามบินที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินไม่เป็นเลยใช่ไหมัมเจิดปนั่สนามบินไม่เห็นใครเดินเลยนี่ต่วิ่คนญี่ปุ่นไปนงสนามบินนี่กินกันเนี่ยนี่ยเนี่ยเนก่ยเนี่ยียเหมือเนี่ะเนี่ยนี่ยเนี่อนีมยเนี่ยเนี่ยยนีี่ยเนี่ายนี่น่ยย่นี่นน่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 เวลาใดที่มันง่วงเกิดว่ามันจะปึ๊บ้าไปเลยอย่างเรู้สึกตัวเลืนตาขึ้นยืดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นมองกอไผ่นอนมองปลายไมน้นอนอย่ามองต่ตําๆจะหลับตาลิปลื้ลื่ตาขึ้นเปิดม่านตาให้กว้ า, ตางตามความรู้สึกสูรลมเข้าใจสูดลมหายใจเข้าไปทมความรู้สึกออกไปดูยอดไผ่ดูซิ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 ส้มซ้อเหมือนกับคนน่าสงสารสงสารตัวเองถ้าเป็นสุขสงสารตัวเองถ้าเป็นสุขสงสารตัวเองถ้าเป็นผูสสร้ร้อนผู้หนาวผู้หิวหน่าสงสารแต่ถ้าไปเห็นเนี่ยโอ้เรามีศักด์ศีแล้วเกิเป็นอย่างมันเมือว่ามีศักสีเห็นอะไรมันหิวก็เห็นมันหิวมันร้อนก็เห็นมันร้อน